เทศอบรมพระวันที่หกันยายน 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากแต่ต้นจนสุดกันหน้าเอส่วนหน้าบีมีพูดเรื่องการก่อสร้างบ้าง ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดีไม่มีแบบฉบับใดจะเสมอเหมือนทั้งทางเหตุและทางผลเป็นธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งนั้นเพราะผู้เป็นต้นของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นแบบฉบับทุกอย่างแล้วสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายจะพึงยึดถือเป็นหลักใจและข้อปฏิบัติ mm hmm. เต็มกาลังความสามารถของตนไม่มีผิดพลาดหากเพื่อนแต่อย่างใดพูดทุงเรื่องความอุตสาห์พยายามความอดทนความขวนขวายทุกด้าน ความตะเกียบตะกายความเป็นนักต่อสู้ความเป็นนักปกครองพระองค์และพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านี้เยี่ยมทุกอย่างไม่มีผู้ใดจะสามารถทำได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพียรก็เพียรจนสำเร็จอดทนจนถึงสลบสไลในบางครั้ง ก็ยังไม่ลดละความภาคเพียรจรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดนยลยธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่โลกจะพึงรู้เห็นตามพระองค์ได้ไม่สุดวิสัยตามภูมิของตนที่จะพึงรู้พึงเห็นได้ เนื่องจากการปฏิบัติได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นพอเหมาะสมแล้วกับสัตว์โลกซึ่งมีหลายคณะด้วยกันทนเรียกว่าพุทธบริษัทหรือภิกษุภิกษุณีเดี๋ยวนี้ท่านอกสามมณีเข้าแทงอุบาสกอุบาสิกานี่คือผู้จะสามารถรับ พระอาวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้คำว่าศาสดาย่อมเป็นผู้เฉียวฉลาดทั้งอุบายแนะนำสั่งสอนว่าธรรมะประเภทใดที่สมควรแจ่บุคคลจำพวกใดไม่ทรงสั่งสอนให้นอกเหนือไปจากกําลังความสามารถของพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกทั้งหลายจะพึงทาหรือปฏิบัติตามได้ได้รู้เห็นได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสดาองค์เอกในการที่จะนําอุบายมาแนะนําสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์ก็ประเภทหนึ่งสั่งสอนภิกษุก็เป็นขั้นหนึ่งสั่งสอนฆราวาสทั่วๆไปเป็นอีกขั้นหนึ่งสั่งสอนฆราวาสผู้มีการประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสงฆ์ก็สอนเช่นเดียวกันกับพระสงฆ์ตามแต่แง่ธรรมนั้นจะ มีหนักเบาอย่างไรสำหรับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นนั้นจะพึงนำมาทูลถวายพระองค์และทูลถามในข้อของใจของภูมิจิตภูมิธรรมนั้นๆพระองค์จะทรงชี้แจงให้เหมาะสมกับภูมิของผู้นั้นเป็นที่พอใจไม่สงสัยไม่มีทางผิดพลาด ไม่ว่าจะสั่งสอนมนุษย์นอกจากมนุษย์แล้วยังทรงสั่งสอนเทวดานี่ใครเคยเห็นไม่เทวดานอกจากจะฉุดลากเอาความรู้ความเห็นของจอมปลาดที่ฉลาดเหนือโลกนั้นเข้ามาสู่ความรู้ความเห็นของตนที่เต็มไปด้วยมุดด้วยขูดคือกิเลสตัังหา ะ, ะประเภทมืดบอด ให้เป็นไปตามใจของตนเท่านั้นธรรมย่อมมีทั้งภายในภายนอกมีทั้งหยาบทั้งละเอียดสิ่งต่างๆที่ทำเกี่ยวข้องที่ทำกล่าวถึงที่พระองค์ท่านนำมาสั่งสอนก็ย่อมมีทั้งทำฝ่ายละเอียดทำส่วนกลางทำส่วนหยาบและวัตถุส่วนหยาบวัตถุสิ่งอันละเอียดเช่นนามธรรมา หรือพวกกายทิพย์กายเทศดังที่เราทั้งหลายได้ยินอยู่เสมอได้อ่านเสมอในตำลับตำลาพระสูตรมีความจริงชั้นใดท้าวินัยพระอภิธรรมมีความจริงเท่าเทียมกันไม่มีสูตรใดพระในสามปิดกนั้นจะเป็นธรรมจองปลอมพอที่จะนำมาสั่งสอนโลกด้วยความจองปลอมว่าสนา ทางด้านนี้เป็นศาสดาจริงด้านหนึ่งเป็นศาสดาจอมปลอมการอบรมสั่งสอนสัตว์โลกจึงนำทั้งธทำจริงและทำปลอมมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างนั้นไม่มีในพระศาสดาทุกๆพระองค์ตามหลักธรรมมีแค่นั้นเราจะลงใจก็ควรลงใจได้แล้วกับพระพุทธเจ้าควรจะสั่งสอนเทพท่านใดภูมิใดพระองค์ก็ทรงนำทำนั้นไป สั่งสอนตามขั้นตามภูมิของผู้ละเอียดทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเช่นเดียวกับสอนมนุษย์นี้เพราะธรรมเป็นของกลางจิตใจนั้นแม้จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ก็าตามมีความละเอียดหยากเช่นเดียวกันเพราะคําว่าจิตนี้เป็นนามธรรมาสิงสถิตยอยู่ได้นในร่างต่างๆแต่ว่าเครื่องมือของเขามันอาภาพเช่นอย่างสัตว์เขาไม่สามารถจะทราบได้ว่าบุญบาปเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ทราบบุญบาปดีชั่วนรกสวรรค์ยิเลตัญหาสวาประเภทต่างๆนั่นเลยเพราะเขาไม่ทราบทั้งๆที่เขาก็ทำอยู่ทุกวันแต่ทำด้วยความไม่รู้ส่วนมนุษย์สามารถที่จะทราบได้ในธทมแงใดเช่นพระไครปิดกี๊ มนุษย์สามารถที่จะทราบได้ผู้หนึ่งไม่สามารถผู้หนึ่งก็สามารถปฏิบัติได้และสามารถทราบได้เพราะฉะนั้นในพระไกรปิฎกทั้งสามนั้นจึงเป็นธรรมที่สมบูรณ์แบบตามที่พระองค์ประทานไว้แล้วไม่ว่าจะ ก, กล่าวเรื่องพระสูตรพระสูตรท่านกล่าวเรื่องอะไรก็เป็นจริงตามนั้นพระวินัยก็เหมือนกันพระิธรรมก็เหมือนกันแต่รวมแล้วต้องเป็นจิต นี่เป็นผู้รับรองเป็นผู้จะสัมผัสรับรู้ในสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นอย่างอื่นจะรับรู้ได้ทางหูทางต า, งางก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรับรู้โดยทางใจเฉพาะเป็นเฉพาะก็มีใจสามารถที่จะรับทราบสิ่งเฉพาะได้นั้นมีมากมายก่ายกอง น, นี่แหละเข้าว่าของพระพุทธเจ้าแยกตามขั้นตามภูมิเป็นอย่างนี้ จึงเป็นแบบมบับแก่โลกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะแนะนำสั่งสอนในแง่ใดยช่ทถึงพูดถึงเรื่องความภาคเพียรความอุตสาหพยายามความอดความทนความประหยัดมัตยยัตความไม่ลืมเนื้อลืมตัวความไม่ทะเลถลายความมีข้อบังคับมีทมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้มีใจเป็นหลักมีใจเป็นธรรมดังนี้ไม่ว่าพระหรือว่าคารวา นำไปประพฤติปฏิบัติได้ผลได้ไประโยชน์ทั้งนั้นธรรมนี้เป็นธรรมกลางๆความอุตสาห์พยายามทางทระเราก็ให้เน้นหนักลงทา ง, งความเพียรความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะประเภทต่างๆด้วยความอุตสาห์พยายามของเราความอดความทนของเราสติปัญญาก็ทุ่มเทลงในการคุยเขี่ยขุดค้นที่จะทำลายกิเลสซึ่งสังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ ให้แตกกระจัดกระจายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ได้อบรมตนอยู่เสมอด้วยความภาคเพียรความมุสาพยายามสืบเนื่องต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นฝ่ยายครวสาก็นำประพฤติได้ตามในหน้าที่การงานนอกอย่างนั้นยังจะทำจิตใจของตนให้สงบมีแบบมี บ, บับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกลี ด, ด้วยไม่เป็นคนทะเลทะ เ, ทะเลไลได้ลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ จึงไม่มีแบบฉบับใดที่จะสมบูรณ์แบบที่โลกจะนำไปพูปฏิบัติทั้งทางคางราวาัตและทางพระยิ่งกว่าแบบฉบับแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วนี้เฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติพระโทธิเจ้าทรงสั่งสอนอย่างใดนี่เป็นข้อสำคัญมากเรามีหน้าที่อันใดเวลานี้แล้วเราบวชมาเพื่ออะไร ต้องทราบความมุ่งหมา ย, ย่างการบวชของตนในครั้งพุทธ ก, การท่านบวชมาเพื่อชำระกิเลสสะสางกิเลสปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานพบชาติสูงตำ่ำดีชั่วสุขทุกประการใดๆนั้นขึ้นกับเรื่องของกิเลสเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ผุดค้นลงที่จิตใจใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ร่างกายตายไปสลายไปแต่จิตใจไม่ยอมตายแต่เราไม่อาจทราบได้ถ้าไม่ทราบทางด้านปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้บวชมาเพื่ออะไรก็รบวชมาเพื่อดังที่กล่าวมาแล้วนี้นหน้าที่การงานของสมณะคือคือของนักบวชคืออะไรในครั้งพุทธกาลหน้าที่การงานของท่านก็คือการดนจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้คืองานของพระ ผู้ตั้งใจจะถอดถอนกิเลสเพราะความเห็นไัยในวัฏสงสารต้องเป็นผู้สร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาหพยายามทุกด้านขึ้นให้มีกําลั ง, งพร้อมๆกันไปโดยลำดับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนี่จิตของเราทาไมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ได้เมื่อมีการบารุงรักษาอยู่ โดยโดยดูโดยชอบธรรมต้องเป็นจิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ดังจิตพระพุทธเจ้าก็ดีจิตของสาวกทั้งหลายก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นจิตที่ฝังจมอยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับจิตของพวกเร า, เร า, เราท่านๆนี้ไม่ผิดกันเลยพูดถึงเรื่องกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำไมท่านสามารถชำระสะสางท่านให้หลุดพ้นไปได้กลายเป็นสรณ ะ, ะของโลก ไม่มีวันติดจางตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้คำว่าพุทธังแสนังขาฉามนี้ไม่ใช่เพียงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นยังหมายถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นาศาสดาสอนโลกเป็นลำดับมาคำว่าทำมังสนังขาฉามนี้ก็คือทมเป็นของจริงมาดั้งเดิมไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะตรัสรู้หรือค้นพบกับค้นพบ พระธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ประจำโลกนี้แล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาคำว่าสังคังสนังคัจฉานีที่เรากล่าวถึงพระสงฆ์มาเป็นชนะก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพียงองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นยังหมายถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ทุกทุกพระองค์อีกด้วยและท่านเหล่านี้ เมื่อสรุปความลงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เกิดในทํำกลางแห่งหมูดแห่งขูดคือกิเรสตันหาอสวะทำไมท่านํำลอกปอกหรือช้าล้างออกให้สะอาดไา้จนได้เป็นผู้วิเศษวิโสได้ถึงเสณะหรือพวกสัตว์โลกทั้งหลายได้ถึงถือท่านเป็นเสณะก็เพราะความภาคเพียรในหลักสำคัญท่านกล่าวไว้ก็มีสีข้ อ, อฉันท่นั่นคือความพอใจ ในหน้าที่การงานของตนอันเป็นทางถอดถอนกิเลสสำหรับหน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นและความรู้สึกของพระโดยถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นวิริยะเพียนเสมอไม่ว่าจะกิจนอกกันในต้องมีความภาคเพียนมีความจงใจจิตต์มีความฝากักใส่ฝากใส่ใกล้คิดกับตนอยู่เสมอคือใจและหน้าที่การงานเมื่อ มีความฝากไปใคร่ต่อกิจการงานนั้นๆดูด้วยความส น, สนใจแล้วย่อมเป็นไปด้วยความราบเรื่นดีงามไม่ค่อยปิดพลาดวมิมังสาเป็นสิ่งสำคัญมากคือดวงปัญญาต้องมีความรอบคอบทั้งจิตนอกการในเฉพาะยิ Chand ่งอย่างยิ่งการภาวนาเวลาจะใช้ปัญญาต้องใช้าให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตราของสติปัญญาของตนที่มีอยู่มากน้อยและพยายามบำรุงปัญญา คือชอบคิดอ่านไตรจองต่างๆทั้งภายนอกภายในสงเคราะห์เข้าสู่ธรรมคือหลักให้จังทุกขังหน้าตาเพื่อจะถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นของตนอันเป็นตัวกิเลสตั้งจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้สลายจากจิตใจกลายเป็นอิสระขึ้นมาเนี่ยทำทั้งสี่ข้อ น, นี้เป็นสําคัญมากนะท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจึงอย่าลืมตัวให้มีความ ระมัดระวังตัวอยู่เสมอจะเข้าใจว่ากิเลสกับเราจะชินกันเช่นเดียวกับไฟชินกับเราไหมายอยู่ด้วยกันมากี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดลองเอาไฟนั้นมาจี้เราดูสิมันร้อนไหมถ้ามันร้อนจี่เมื่อไรมันร้อนเหมือนนั้นก็แสดงว่าไฟกับเรานี่ไม่ชินกันที่กิเลสกับเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทใดย่ดยอมเป็นเหมือนไปถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของกิเลสแล้วต้องเป็นเหมือนไปท่านจะเรียกว่าราคคีนาโทสักคินาโมหคินาไม่เป็นไฟท่านจะเรียกว่าไฟได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่อง์อุตริท่านพูดตามหลักความจริงเป็นแต่เพียงว่าเราไม่พิจารณาตามหลักความจริง ปีนเดียวกับทำรรอยู่เสมอในขณะเดียวกันก็เป็นข้าศึกกันกับธรรมคือกิเลสของเรานั่นแหละเป็นข้าศึกกับธรรมโดยเราไม่รู้สึกตัวและไม่มีเจตนาถึงจะเจตนาไม่เจตนามันก็เป็นกิเลสเช่นเดียวกับไฟเจตนามาขี้ตัวเองหรือไม่มีเจตนาตะเยียบมันเข้ามันก็ร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความนามารระวังรักษาอย่าเคยชินกับกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกเหมือนกันกันกบไฟ อยู่ที่ไหนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนให้มีความอุตส่าพยายามมีความตั้งสติสตังหน้าที่ของเรามีอย่างนี้เป็นกับตายเราก็มอบไว้กับพุทธทางธรรมังสะนังกฉามิจุดจุดท้ายก็คือว่าจะมอบไว้กับความอดทนจากทุกดูดการทั้งปวงเท่า น, านั้นนี่เป็นงานของเราเรื่องทุกจริงทุกอย่างไม่มีอะไรเดือดร้อนนอนค้างอะไรเลย จะตุปปัจจัยไตรฐานเป็นมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะท่านผู้ใจบุญหวังอนุโมทนาศายินดีกับท่านผู้หวังดีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่มากแล้วเวลานี้ไม่บกพร่องมันบกพร่องตั้งแต่เราที่ตั้งหน้าตั้งตาออกแนวรบต่อกิเลสปัญหาสรัเพื่อจะได้ของดิบของดีชัยชนะคือชนะกิเลส อ, ออก ไปสั่งสอนโลกนั่นส่สำคัญที่ตนสอนตนไม่ได้จะสอนโลกได้ยังไงตนมีความบกพร่องอย่างไรการสอนโลกก็ต้องบกพร่องอย่างนั้นตนมีความสมบูรณ์เต็มที่สอนโลกก็ต้องสมบูรณ์เต็มที่เพราะสอนออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงของตนเรียกว่าวิชาเต็มภูมิธรรมะเต็มใหจการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นอัดเป็นธรรมเป็นแง่ให้คิดให้อ่านให้ไตรตรองให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ทั้งนั้นจึงชื่อว่านธรรมทำไม่เคยทำความพินาศให้แก่โลก แม้แต่แง น, น, นิดนิดหนึนน่งไม่เคยมีนอกจากกิเลสเท่านั้นทำความเดือดร้อนให้แก่โลกแก่เราเราจรึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยืนเดินนม่งนอนอย่าเป็นผู้เผลอสติให้ระมัดระวังสติสติเป็นสิ่งสำคัญในวงความเปลี่ยนปัญญาจะพิจารณาไปมากน้อยสติต้องเป็นผู้กํากับเสมอเราจะเห็นได้เวลาสติปัญญากรมคืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นนั่นแหละ เราจะทราบได้อย่างชัดเจนสติกับปัญญาจะพลาดจากกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านอัศจรอัศจรโดยความจริงธรรมของท่านที่อยู่ในพระไทยก็เป็นธรรมที่อัศจรย์โดยหลักธรรมชาติมาสั่งสอนโลกก็เป็นธรรมอัศจรย์แต่พอมาคัดเข้ า, าพอมาคัดเข้ า, ากับสิ่งไม่อัศจรย์สิ่งเหล้ยวไหลโลเล สิ่งศักดิปลูกสมมติทำจึงกลายเป็นเหมือนไม่มีคุณมีค่าอะไรเลยเป็นอย่างนั้นและเราจึงพยายามทําตัวให้มีคุณค่าสําหรับเป็นภาชนะรับธรรมของพระพุทธเจ้าโดยลํำดับตั้งแต่ขันศีลขั้นสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นปุ่มปุ่มจนถึงขั้นวิมุตติทนด้วยความสัตย์ความจริงจะเป็นผู้อัศจรรย์ภายในตัวเองโดยไม่ต้องหาสิ่งใดมาเสกันปั้นยอแหละ จะเป็นขึ้นโดยหลักธรรมาชาติแห่งธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐอยู่แล้วทำไมจิตใจเข้าไปสัมผัสธรรมในซึ่งเป็นของประเสริฐอยู่แล้วจะไม่ประเสริฐไปโดยลำดับลำดับมีอย่างเหรือต้องประเสริฐจิตไม่เคยสงบจิตไม่มีตั้งแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะอำนาจของกิเลสก่อควรทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมาจากไหนมองไปไหนก็เห็นเป็นปืนเป็นไฟเหมือนกันทั้งภายนอกภายในหาสิ่งที่จะ เพราะเสด็จานจิตใจไม่มีเลยโลกมันก็แคบไปหมดอยู่ที่ไหนก็เหมือนเหมือนว่าจะเป็นอย่างเดียวกันทั้งๆ ท, ที่ของดีมีอยู่นี่เพราะความไม่ฉลาดของเราเพราะนั้นจึงฟื้สติปัญญาขึ้นให้มีความเฉล้วฉลาดทำจิตให้มีหลักมีเกณฑ์พูดถึงดวงสมาธิอ้าถ้ากำหนดจะให้จิตสงบด้วยวิธีการใดก็ให ตั้งหน้าต่งตงตางๆมีสติสตังเอากันจริงกันจังให้เห็นนั่นแหละทำบุญญาเป็นของจริงพระองค์ทำจริงทําไมเรามาทําเล่นมันเข้ากันได้หรือท่านทําจริงรู้จริงเราทําเล่นมันก็รู้เล่นสิมันรู้ความจริงแน่เดียวมิจะรู้อย่างของจอมปลอมลอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําจริงแล้วต้องปรากฏสมาธิจะหนีพ้นจิตนี่ไปไม่ได้จิตตัวยุ่งเหยงิงวุ่นวายนี่แหละ เพราะกิเลสเข้าแท้กิเลสเข้าทำงานกิเลสเข้าเป็นเจ้าของจึงต้องใช้สติปัญญาศรัท ธ, ธาความเปลี่ยนหมุนตี้วเข้าไปตรงนั้นมันจะหมุนไปไหนมันจะยุ่งไปไหนกิจนี่สติบงังคับให้มันอยู่กับที่ให้อยู่กับธทรำรให้อยู่กับงานที่กำหนดพิจารณาอยู่นั้นโดยท่ายเดียวเป็นกับตายเวล่เวลาไม่ต้องกำหนดกำหนดเฉพาะความรู้เท่านั้นโลกอันนี้ไม่ให้มีอะไรมาปรากฏในความรู้ให้มีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกัน เช่นเรบริกรรมก็ดีหรือกำหนดอนาปานทัินก็ให้มีเฉพาะนั้นเท่านั้นยาให้จิตมันถักดันออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี่เข้ามายุ่งเหยิงมุ่นวายนั่นแหละที่จิตมีความเผลอตัวไปเสมอหาความสงบไม่ได้เพราะจิตนี้มันเผลอตัวมันโผล่ออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ถ้าเราตั้งความรู้ไว้เฉพาะว่า โลกนี้ไม่มีให้ทําความเข้าใจอย่างนั้นมีอยู่ก็ตามทั้งๆทิ่คาดการณ์นี้เป็นโลกแต่ในขณะนี้ไม่ความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโลกนั้นเข้ามาแทรกจิตได้ให้มีตั้งแต่กิตกับธรรมที่กําลังทํางานต่อกันอยู่เท่านั้นแล้วมันจะไปไหนนั้นต้องสงบได้นี่เคยทํามาแล้วไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยเฉยโดยโอ้ออดได้ฝึกงานทางโลกก็ทำมาเต็มปริทธิกำลังความสามารถแต่เรายังไม่เคยเห็นงานใด ที่เราเคยผ่านมาแล้วจะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่า ง, งานปึกหัดจิตตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่จใจมีความสงบเย็นใจเพราะมันยิ่งกว่าลิงกว่าข้างบางชนีมันรุกลิดรุกลิดมันดิ้นรนกวดแวงอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องของกิเลสเข้าแทรกสิงใจเป็นเจ้าของของใจทีนี้เราจะนำธรรมเข้าไปให้เป็นเจ้าของอเป็นเจ้าของของจิต ให้เข้าแทรกกิจแทนที่กิเลสจึงต้องใช้ความพยายามกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางครั้งเอาตายมันก็ตายมันจะไปไหนเกิดมาแล้วต้องตายเขาไม่นั่งสมาธิภาวนาเขาก็ตายฉัดในโลกนี้เาตายเดียกันทังนั้นไม่มีกายที่จะเดินเลยไปช้าไปได้ที่ว่าไม่ต้องตายอยู่คําฟ้าได้หรือโล ก, กันนี้นี่จะตายในสนามรบคือการต่อสู้กับกิเลสแล้วก็ให้เห็นจะเป็นยังไงเห็นถ้าหักมาไมม ตายก็ให้รู้นั่นแหละที่นีให้ตายกลับรู้ขึ้นมาจุดได้ถ้าลงจิตได้หมุนติ้วเข้าสู่จิตซึ่งเป็นรวงรังของกิเลสอยู่ภายในนั้นและทาอยู่ภายในจุดเดียวกันนั้นแล้วจะไม่พ้นที่กิเลสจะมอบปราบลงไปสงบอย่างน้อยสงบตัวลงไปให้ทมคือความสงบจิตมีความเย็นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในาจิตใจอ่านเป็นผล ที่ให้เราเกิดความแปลกประหลาดในอาจารย์ภายในตัวเองและเป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธศาสนาตลอดถึงมีกําลังทางด้านความภาคเพียรความอดความทนทุกแง่ทุกมุมรวมตัวเข้ามาเป็นกําลังเพื่อจะต่อสู้กับวิเลสประเภทต่างๆให้ได้ชัยชนะไปะโดยดัด่มๆโดยไม่ต้องสงสยัยเนี่ยการทําจริงเป็นอย่างนี้เวลาจะทําจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทําเฉพาะสมาธิ อย่าไปสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งนั้นในขณะต้องการความสงบให้เป็นความสงบจริงๆจนเรียกว่าสมะถะหรือเราจะพิจรารณาร่างกายขึ้นลงเหมือนกับว่าเที่ยวกรรมฐานหรกรรมฐานกรรมฐานะประวัติที่ตั้งแห่งการงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์ก็คืออาการสามีสองนี้เราจะพิจรารณาขึ้นพิจรารณาลงเที่ยวกกรรมฐานอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดให้อยู่ตรงนี้ก็ได้ ให้มีด้วยความมีสตินี่จิตจะพ้นไปได้ต้องสงบนี่เป็นขั้นของสมาธิในเบื้องต้นทำอย่างนี้ในขั้นของปัญญาเมื่อจิตมีความสงบตัวพอสมควรแล้วจิตก็มีความอิ่มตัวไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆที่นาจิตที่มีความสงบอิ่มตัวนี้ไปพิจารณาในแง่ต่างๆของธรรมเช่นอาการสามสิสองทั้งภายนอกภายใน ได้ทั้งนั้นเป็นปฏิกูลก็าตามเป็นอนิจจังทุกขังหนาา้าตาก็ตามนี่เป็นหลักความจริงคําว่าปฏิกูลใครก็เห็นใครก็รู้กันอยู่เพราะมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกไอ้ข้ามโกหกสิ่งโกหกที่มันเป็นอยู่กับเรานี่ทีไม่มีปัญหาเรื่องประมาณนี่แหละมันปลอมมันแปลงจริงเรีย่ยวที่เละเครื่องจอมปลอมแบบคนอยู่ที่ไหนหาหนูให้ดีน่ะเอาตามหลักธรรมชาติที่พระองค์สอน ของสวยของงามอยู่ที่ไหนของหอมหวนชวนชมอยู่ที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวเราตั้งแต่ภายนอกเข้าไปสู่ภายในหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปเนี่ยกองอันนีจังทุกขังาตาตามหลักธรรมท่านมันมีที่ตรงไหนที่เป็นประตามที่เดชที่เราคาดคะเนไปตา ม, มาอันนั้นสวยอันนี้งามนั่นเราอันนี้เป็นของเราซึ่งเป็นการปีนเตียวหรือต่อสู้กับธรรมลบกับธรรมเท่านั้นือการ เรื่องของคิเลืต้องเป็นค่าสึบต่อธรรมเสมอไปความคิดของเราเป็นเช่นนี้เทีเยกวกับความคิดที่เป็นค่าสึกต่อธรรมต้องกลับความคิดนี้ให้เขา ม, มาสู่อัดสู่ธรรมคือพิจารณาหนะึ่งให้เป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความจริงแห่งความปฏิกุลนี้ชื่อว่าเห็นตามเป็นจริงเพราะสิ่งนี้เป็นจริงอย่างนั้นแต่พูดถึงอนิจจังคือความแปรสภาพทุกขังความเป็นทุกข์กติอนัตตาสภาพหาตนหาบุคคลไม่ได้ใน สิ่งที่ปรากฏ ต, ตัวด้วยรวมตัวอยู่นี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่หยินน้ําลงไฟเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตนเป็นตัวเป็นจัดเป็นบุคคลนี่คือความจริงของธรรมถ้าเราพิจารณาตามเห็นตามนี่แล้วกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปความจอมปลอมต้องหลุดลอยออกไปหลุดลอยไปนี่จะความจริงเด่นขึ้นมาตามขั้นเบื้องต้นก็จะเป็นของปฏิกูลซะก่อนพอเลยจากขั้นปฏิกูลแล้วก็พิจารณาเป็นธาตุก็กลายเป็นธาตุไป เมื่ออันใดนก็เป็นอย่างนั้นเป็นธาตุสมุนแล้วใครจะหาติดธาตุเขาเฉยเฉยไหนอันนั้นก็ไม่งามอันนี้ไม่งา ม, ม, งามจะไปสําคัญมันหมายจะไปติดมันได้ยังไงก็มันไม่งามเห็นอยู่ชัดชัดเหมือนอย่างกองมูดกองพูดอยู่ตามถนนนองทางที่เราเดินแต่ใครจะกล้าไปเหยียบมันก็ทราบอยู่แล้วว่านี่คือกองมูดกองพูดนั่นเราเทียบได้อย่างนั้นจิตก็ไม่เข้าไปแตะไม่เข้าไปเกี่ยวเมื่ออะไ ร, รู้ตามความจริงมัน เช่นเดียวกับเราได้มองเห็นของมูดของคูดูตามถนนแล้วเราก็หลีกได้นี่กิจก็หลีหลกดีได้อย่างนั้นอุบายวิธีนี้เป็นอุบายวิธีถอดเทียนถอดน้ําคือกิเลสประเภทต่างๆที่หลอกให้จิตใจทั้งเราสําคัญมั่นหมายไปตามแล้วก็เป็นฆ่าสึกต่อตัวเองหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งๆที่แบบมาภาวนามันไม่ได้ภาวนามันยุ่งไปเฉยๆกับเรื่องทั้งหลายขณะหนึ่งเป็นที่มีสตินั้นเพียงขณะเดียว ขณะที่หาสติไม่ได้และนอกจากนั้นยังให้กิเลสถุดลากไปตามที่ต่างๆตามอารมณ์ต่า ง, ามมางๆนี่มีสักเท่าไหร่เก้าสิบห้าเปอร์ซ็นเป็นอย่างน้อยนั่นแล้วเราจะหาความสงบสุขเย็นใจมาจากที่ไหนเมื่อเก้าิห้าเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดห้าเปอร์เซ็นตนั้นเป็นเรื่องของธรรมะมันจะมีกําลังพอท่านทางกันได้หรือรเราต้องขดสติปัญญาขึ้นให้มันมีเปอร์เซ็นต์สูงโดยลําดับลาดับหถึงขั้นปัญญาก็ เหมือนการเอาให้จริงให้จังพิจารณาแยกหน้าแยกหลังพิจารณาทดสอบตามอุบายวิธีของตนอย่าอยู่เฉยเฉยในขั้นที่จะควรพิจารณาเป็นปัญญาแล้วอย่าคอยให้ครูบาอาจารย์มาแนะทุกแง่ทุกมุมท่านจะแนะให้แต่หลักใหญ่ๆเท่านั้นส่วนขแขนงต่างๆที่เราจะตีแผ่ไปด้วยสติปัญญาของเราหรือกําลังวังช้างของเรานั้นเป็นของเราเราพิจารณาได้มากน้อยเพียงไหก็เป็นสมบัติของเราแท้ นั่นแหละคือสมบัติของเราเมื่อพิจารณาลงไปก็เห็นจริงรู้จริงเมื่อรู้จริงตรงไหนถอนสิ่งปลอมออกไปรู้จริงมากน้อยเพียงไรสิ่งจอมปลอมถอนตัวออกไปถอนตัวออไ ป, วออไปรู้จริงหมดหมดทั้งร่างร่างกายอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญปิดกั่ก่อนก็ถอนตัวออกไปเพราะตัวจอมปลอมว่าเป็นเราเป็นเขานี่มันถอนตัวออกไปกีดก็ถอนตัวเข้ามา พิจารณาแค่ น, นั้นเองมีส่วนร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะพิจารณาภายนอกก็าตามภ า, ายในก็าตามเป็นธรรมด้วยกันถ้าพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอ น, เ พ, อถอนเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในยถูกด้วยกันทั้งนั้นเป็นมากด้วยกันนอกจากพิจารณาผิดภายในภายนอกเป็นผิดทั้งนั้นสําคัญอยู่การพิจารณา สมาธิสัมมาสังกัปูเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธญาที่ทรงสอนแล้วข้างนอกก็าตามภายในก็าตามเป็นเครื่องถอดถอนยิ่เรดความกังวลวุ่นวายยึดถือได้ทั้งนั้นเราเองอถนัดทั้งภายนอกภายในนะพิจนาภายในกับภายนอกเอามาเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาแงสงสัยไม่ได้แล้วมันจะไปติดกับอะไรจิจนั้นนะอืที่มันติดก็เพราะมันหลงมันไม่รู้ ถึงมาท่านสอนท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็นรู้แตงเพียงความจำเฉยๆความจริงมันยังไม่เข้าถึงตัวเพราะฉะนั้นการภาคปฏิบัติจึงต้องใช้ความจริงคือปฏิบัติจริงผลปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้จริงนั่นแหละที่นี่เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ปล่อยไม่ว่าสิ่งใดรู้จริงแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเช่นดังร่างกายอย่างนี้เหมือนกัน รู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนจะว่าเป็นธาตุก็ซึ้งภนายจิตใจจะว่าเป็นของปฏิกูลโสโครหรือเป็นไตรลักษณ์อนิจจังตุกขงังตาซึ้งเสมอกันไปหมดแล้วหาที่แย้งไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดจิตต้องถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นภายในกายของตนอย่างกระจักใจไม่ต้องถามใครความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรแต่ก่อนมีโทษอย่างไรบ้างโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่น ทำให้หนักหน่วงท่วงจิตใจลงไปมากน้อยเพียงไร น, นานเท่าไหร่เรารู้เพราะมันกดท่วงอยู่ตลอดเวลาและจิตได้เมื่อปัญญาลายปิจนารู้แจ้งจริงจริงในธาตุในขันในอวิชังทุกขังตาของส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วรู้แจ้งชัดเจนอีกด้วยแล้วทําไมจิตจะไม่ถอนต้องถอนตัวออกมาอย่างเด่นชัดทีเดียวหนะักหมด อุปทานความยึดกายถือกายเพราะความจริงด้วยปัญญาพิจารณาเห็นจริงด้วยปัญญาและถอนออกมาหมดเรียกว่าเป็นอิสระไปขั้นหนึ่งแล้วเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เดีย ว, ว่าขันสี่เป็นหมวดเป็นกองแปลว่าหมวดว่ากองขันทะขันทะหนึ่ง กองเวทนา ส, สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเปกขาเวทนามีทั้งส่วนร่างกายและ จ, จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันหรือว่าสังขาร ว, วิญญาณความรับราบในเมื่อสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นรูปสัมผัสตา เสียงสัมผัสมูเป็นต้นเมื่อสิ่งนั้นผ่านไปความรับรู้นี้ก็ดับไปพร้อมกันท่านเรียกว่าวิญญาตมันก็มีแต่เพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเอาตนเอาตัวเอาสาระแก่สารที่ไหนมีในที่ไห น, นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าเฉยๆจะเอาจริงเอาจังกับมันได้อย่างไรมันเป็นความจริงของมันแต่และอย่างละอย่างเมื่อได้พชนาถึงขั้นนี้แล้ว ใจทำไมจะไม่กิ่งใจไปหลงว่าเวทนาเป็นนั้นเวทนาเป็นนี้เวทนาเป็นค่าศึกตัวเองอย่างนั้นนี้เพราะตัวก็เป็นผู้สเาสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มันก็เผาเอาลายเเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงเรื่องเวทนาทั้งสามสุขทุกข์ใช้เฉยว่าเป็นให้จังทุกขังราตาชั้นยาชั้นขานียา ก็พิจารณาแบบเดียวกันนั้นจนซึ้งถึงใจเต็มที่เข้าใจเต็มที่เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายแล้วจิตก็ต้องถอนหมดความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายทั้งหมดในเวทนาทุกทุกเฉยเฉยทั้งหมดในส่วนร่างกายนี้เว้นแต่พาณจิตที่ยังไม่สามารถเวทนาจิตมี สุขทุกเชเฉยเหมือนกันสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วคิดขึ้นขนาดใดก็ดับขนาดนั้นเหมือนฟ้าแลบวิญญาณเกิดแล้วดับเกิดเพื่อความดับเท่านั้นไม่ได้เพื่ออื่นใดไม่เพื่อสาระแก่นสารไม่เพื่อสัตว์เพื่อบุคคลแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่มีสาระที่ตรงไหนเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริง ซึ่งภายในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตย่อมถอนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขามิญญาณถอนไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขามิญญาณดูภายในจิตจิตเป็นจิตอาการเหล่านี้เป็นอาการเหล่านี้แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมากน้อยย่อมรู้ได้ชัดว่านั่นคือหญิงนี้คือชายนี่ยอมรู้ได้ชัดว่านั่นคือ รูปนั่นคือเวทนานั่นคือสัญญาสังขานมิญญานี่คือจิตนี่แหละรู้ทางภาคปฏิบัติรู้อย่างนี้แต่ต้องพิจารณาอย่างที่ว่านี้เมื่อปล่อยวางไปในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วความยึดมั่นในอาการเหล่านี้ก็ไม่มีทางเดินของกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่มีเพราะไม่มีทางเดินออกมาทางเวทนาสัญญาสังขานิญฉ า, ญญาก็ไม่มี ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่มีเพราะปัญญาตัดขาดหมดแล้วนี่ว่าตัดสะพานเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนถึงตัวของเราคือขันธ์ห้าตัดเข้ามาด้วยปัญญาดังที่ว่านี้เห็นแจ่มแจ้งชัดจิตจิตทั้งดวงก็มีแต่กิเลสครับจิตเท่านั้นกิเลสไม่มีอยู่ในรูปไม่มีอยู่ในเวทนา ไม่มีอยู่ในสัญญาไม่มีอยู่ในสังขารไม่มีอยู่ในวิญญาณแต่ก่อนมีอยู่เหล่านี้มาแทรกมาซ่อนตัวอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นพอสติปัญญาไล่ต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปหมดแล้วเข้าสู่จิตเมื่อเข้าสู่จิตแล้วการที่จะพิจารณาจิตจึงเป็นหน้าที่ของสติปัญญา อีกเช่นเดียวกันมีหมดความกังวลในการที่พิจารณารูปเวื้องฐานิัญญาณแต่ต้องอาศัยความเกิดความดับของสังขานที่คิดเป็นสาเหตุที่จะต้องอย่างเข้าสู่ตัวกิเลสอันแท้จริงคืออวิชชาเกิดดับเกิดดับรู้ได้อย่างชาัดเจน ทนี้เมื่อมีแต่ความรู้อันเด่นดวงไม่สับสนกับอาการใดของขันทั้งหานเราย่อมจะเห็นได้ชัดรู้จิตก็รู้ได้ชัดเวลานั้นแม้อวิชาอยู่ในจิตเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอวิชาเพราะอาวิชานี่ละเอียดแหลมคมมาก เพราะฉะนั้นผู้บาเพ็ญกิจเข้าไปถึงขั้นนี้ถ้าไม่มีครูมีอาจารย์ซึ่งเคยผ่านไปแล้วมาแนะนำจะไม่เข้าใจเลยว่านี้เป็นกิเลสนี้เป็นอวิชชาจะเห็นว่าเป็นทองทั้งแท่งทั้งทั้งที่ทองเก อ, อมันอยู่นั้นแค่จุงนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยจิตดวงนั้น ซึ่งตามหลักธรรมชาติของมันที่เข้าไปรวมตัวอยู่แล้วย่อมแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งความช่างอาาเผยความอัศจรรย์ทำให้เกิดความอ้อยอิงติดใจอยู่ในจิตดวงนั้นนั่นแหละปล่อยอะไรหมดแล้วก็ไปยึดจิตติดจิตอยู่นั้นนั่นแหละอุปาทานในจิตเลยเข้าใจว่ามีแต่จิต มีต่จิตอย่างเดียวไม่ได้นึกเลยว่ามีเสือโครง่งเสือดาวอยู่กับจิตนั้นคืออวิชชาแม้ขัน้นชติปัญญาตโนมัติหรือมหสติมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังต้องหลงเพลงของอวิชชาถึงได้เพราะวิชาเป็นจอมแห่งไตรภพไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแหลมคมละเอียดละออยิ่งกว่าอาวิชชา ภายนอกที่มันแสดงออกมาเป็นความโลภความโกรธความหมงหยาบหยาบเรายังหลงไม่หลงโลกทั้งหลายโลภ ก, กันได้ทำไมโกรธกันได้หาอะไรหลงกันหาอะไรก็เพราะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงเป็นสิ่งที่จะพึงทำมันจริงปรากฏแสดงอยู่ทั่วโลกทั่วสุขสารถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้ว โลคหาอะไรปวดหาอะไรหลงหาอะไรอันนี้เวลากิตมันหลงจิตมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เป็นความที่ละเอียดสุดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติอันนั้นเช่นเดียวกับพิจารณารูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาคขี่คลายดูธรรมชาตินั้นดูความเคลื่อนไหวมีขึ้นที่ว่าสมมุรณแล้วจะละเอียดขนาดไหนความเคลื่อนไหว ซึ่งแสดงเรื่องตายลักย่อมมีเสมอแต่เป็นส่วนละเอียดตามส่วนของมันตามหลักของมันที่เป็นของละเอียดพิาจารณาจนกระทั่งเข้าใจได้ชัดถูกทำลายด้วยสติปัญญาไม่มีเหลือคำว่าองค์อาจกราหานสง่าผ่าเผย สว่างกระจ่างแจ้งง่าอ้อยอินติดใจแชลายไปหมดให้มีสิ่งใดเหลือเลยเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้รู้ที่นี่รู้อันนั้นกับรู้ของอวิชชาที่ครอบอยู่นั้นผิดกันราฟ้ากับดินหินกับเพชรนั่นแหละเรื่องผลของงาน แห่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลสุดท้ายคืออันนี้ได้แก่ความหลุดพ้นหรือการทําลายวิเลททุกประเภทซึ่งเป็นเชื้ออันสําคัญท่าให้เกิดแก่เก็บตายในพบน้อยพบใหญ่คืออธรรมชาต์อันนี้แหละที่เกิดในพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำหรือลุ่มนาดอนสูงบ้างต่ำเอาสุกบ้างทุกบ้างนั้นเกี่ยวกับเรื่องวิบากอีก เพราะอาวิชชาเป็นพื้นฐานนิบาส ก, ก็รองกันลงมาอวิเลเป็นเหตุให้ทํากรรมนั่นวิเลก็คืออวิชชาในพาให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมเป็นนิบาสนั่นแหละที่พาให้สัตว์ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ค้นให้ดูค้นดูให้ดีเราเป็นนัตกตรวดเจ็บเจ็บตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทําไมจึงให้ท่านนำธรรมเหล่านั้นมาสอนเราขนาดนั้นเรายังทราบไม่ได้ เรายังไม่เชื่อท่านเราจะเชื่อใครถ้าจะเชื่อเรามันก็จมอยู่อย่างนี้วันไหนที่จะฟูขึ้นวันไหนที่จะร่องรอยพ้นจากกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเกิดแก่เก็ดตายนี้ได้ล่วถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครนี่เราให้เชื่อในทางภาคปฏิบัติพิจารณาลงไปเราจะเห็นได้ชัดเรื่องกระแสของจิตที่มันเคยผัวพันกับอดีตอนาคตเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอันเป็นสือ่อเป็นทางที่จะพาให้เกิดแก่เก็บตาย ในภพน้อยภพใหญ่แม้จะเป็นภพสูงก็ต า, ามก็คือภพคือชาติคือเรื่องของสมมุติต้องมีความทุกข์เกี่ยวพนอยู่เสมอตามส่วนอย่างภพนั้นๆไม่ใช่ของดีตาดลงไปขาดสะบั้นลงไปด้วยอํานาจของสติปัญญาจนกระทั่งถึงขาดภ า, ายในจิตซึ่งเป็นตัวเชื้อจริงๆได้แก่อวิชชานั่นแหละเชื้อจริงๆอยู่ตรงนั้นเอาให้ขาดสะบั้นนอกจากนั้นแล้วทําไมจะไม่ทราบว่าจะตายอีกหรือไม่ตายอีก จะเกิดอีกหรือไม่เกิดทําไมจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านทราบได้ยังไงท่านทราบได้อย่างนี้ทราบได้ด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้ทราบได้ ด, ไได้วยภาคจดจำํำทกษาเอาเดือนมาเฉยๆท่านทราบด้วยภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงหาดสะบั้นเอาหมดที่นี่พบไหนจะมาอีกตัวจะตั้งพบตั้งชาติตัวเป็นเชื้อสําคัญได้ถูกทําลายลงแล้วโดยสิ้นเชิงเห็นพระจักรด้วยปัญญาไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือแต่ธรรมชาติ ของจิตที่บริสุทธิ์ต้นล้วนเกิดได้อย่างไงแล้วจะดับได้อย่างไงรู้เห็นอยู่นั้นะจะสูญไปได้อย่างไร ร, รู้อยู่นี้สูญไปได้อย่างไงเนี่ยห ล, ลักธรรมชาตินี้ลบได้อย่างไงความจริงความบริสุทธิ์ก็คือความจริงเราจะไปลบความบริสุทธิ์อันเป็นความจริงของจิตนั้นได้อย่างไร <S <S นั่นมันจึงเป็นเรื่องงมเงาเป็นเรื่องเกาหมาัดสําหรับพวกเราเอาให้ i, ถึงจริงสิ เราพุทธเจ้าท่านสอนจริงนั่นเพราะท่านรู้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตของเราทุกๆคนเอาลงให้ค้นให้พบเมื่อถึงขั้นนั่นแล้วมันหมดเองเรื่องอดีตปัญหาหมดไปอนาคตที่จะจะไปเกิดในพบใดชาติใดสูงต่ำขนาดไหนรับความสุขความสบายยังไงเสอยเ่ะหมดหปัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลายึดที่ไหนกิเลสไม่มีแล้ไม่ยึดแม้แต่ความบริสุทธิ์ก็ไม่ยึดตัวเอง เพราะไม่ใช่กิเลสถ้ากิเลสอยู่ที่ไหนต้องพาให้ยึดทั้งนั้นมีมากมีน้อยยึดตามมากตามน้อยมีกิเลสมากน้อยเพีงยงไงพาให้ยึดจิตตลอดเวลาแม้ที่สุดมีอยู่ในจิตมันยังต้องยึดจิตจนได้นะเมื่อทําลายออกจากจิตนั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมีแต่ความเบื่สุดอย่างเดียวก็เท่านั้นหาความยึดไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเป็นสาเหตุให้ยึดกิเลสไม่มีนั่ น, นแหกิเลสเป็นต้นให้ยึดไม่มีนั่นแหละรู้ตรงนั้น นี่แหะชันทิติโก้ท้าทายอยู่ตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกสั่งสอนโลกที่แรกมาจนมาทั่งปัจจุบันนี้ธรรมานี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัจจิมาปฏิปทาท่ามกลางหรือเหมาะสมอย่ตลอดเวลาโยสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตนทุกคนและวิธีการที่จะให้รู้ให้เข้าใจก็ ต้องสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทามีส ม, มาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาส ม, มาธิเป็นที่สุดนี่แก่นแห่งธรรมแก่นแห่งปฏิปทา mm hmm. เอานํามาปฏิบัติอยู่ที่ไหนท่านเรียกว่ามาชทางนำเนินหรือเครื่องแก้ทุกข์เครื่องประหัตประหารที่เดชทั้งหลายก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เองเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าให้เสียท่าเสียทีอย่ามานอนอยู่เฉยเฉยสถานที่ตรานี้ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมู เอาให้จริงให้จังพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวหน้าเลี้ยงหมูนี่ศาสนาธรรมก็ไม่ใช่อาหารปนเปือหมูเป็นโตองสอนในพ้นภกแทบล้มแทบตายถึงพบมาสั่งสอนโลกเพื่อให้รู้แจ้งเห็จริงในสิ่งนี้เอาตามหลักรธรรมพุทเจ้าดําเนินตามนั่นจะเป็นไปไหนถ้าไม่เป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่เป็นอย่างอื่นเอาทําให้จริงให้จังก็แล้วกัน อยู่ด้วยกันก็ยังเห็นอยู่นี่เห็นความเื่อเสืซาบซาบความไม่มีสติสตังค์แล้วออกไปแล้วจะเอาความเฉลียวฉลาดแหลมคมมาจากไหนเพออ่อฮั่นจึงต้องเล่นดุด่ดาว่ากล่าวกันเรื่อยๆพอมองเห็นทับเปิดแล้วเปิดช่องบกพร่องให้เห็นแล้วพอมองเห็นก็ดีพูดออกมาได้ยินก็ดีมันมีแต่ช่องบกพร่องเสมอถ้าหากว่าเป็นนั่งมวยแล้วตรงนั้นน่ะตรงที่จะตายเอเปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ ว, ว, ลวอันนี้ก็ยิเลสมัน สาบเอาสาบเอาย้ำเอาต่อยเอาต่ อ, อยเอาในช่องว่างช่องว่างว่างเพราะเขาไม่มีสติว่างเพราะเขาไม่มีปัญญารอบครอบตัวเองกิเลสมันแหลมคมไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในโลกอนี้แต่เมื่อไปครอบผู้ใดแล้วทํำคนนั้นให้โง่ตัวกิเลสนั้นแหลมคมฉลาดมากที่สุดจึงได้ครองโลกวัฏจักรเพราะ อ, อํานาจของกิเลสทั้งนั้นเป็นตู้ครองเราอยากเข้าใจว่าอันใดเป็นเจ้าอํานาจให้ คลองโลกวัฏจักรคือความเกิดแก่เกิดตายของสัตว์โลกถ้าไม่คิดกิเลสจะเป็นอะไรเราอยากจะทราบชัดก็ค้นไปที่หัวใจลราสิดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันจะทราบที่ตรงนั้นเมื่อกิเลสทุกประเภทหมดไปจากใจแล้วใครจะมาคลองไม่มีใครคลองละทีนี้เป็นอิสระเต็มที่ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติอาจารย์ปัญญาต่อเนื่องอาจารย์ปัญญาอธิบายครบเป็นการพุทโจากกัน พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะการสร้างหัวใจมไม่วิเศษเพราะอะไรนะอย่างที่พูดแล้วกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านอย่าวโลกทั้งหลายท่านวิเศษเพราะสร้างหัวใจนะไม่ได้วิเศษเพราะสร้างนุ่นสร้างนี่วัตถุต่างๆโชว์กันเหมือนบ้ามันเลยบ้าไปแล้วบ้าเราคอความหล่ร่อนจากคนอันนี้มันก่อเลยนะยุ่งไปหมด ไม่ได้สร้างไมนะ่ไดยูไม่ได้มันคันและตองเด็เกาเหมือนหม า, าขี้เรื้อนแต่ของมีเงินที่ไหนไม่ควรบ้านคนเมืงเองเอาอะไรมาสร้างนั่นแหละมันลออบ้านล่ อ, อมือเจ้าปอกเจออก้าเลาะหมดไปที่ไหนคุณจะคิดตังโลกาสะอะไรมันเป็นผีไปใครที่อยากพบอากเหนคอยจะเอาห้าเอาสิบึงนึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึ ไปที่ไหนไปแบบพระที่ไปแบบสบายทำตัวให้สบายจิตทางหน้าจิตใจกิเลสตัวใดมันมารบกวนให้จับมันไว้ให้ดีฟาดมันให้มันแหลกไปเลยมันแสดงออกแงใดที่เป็นนอกแงที่นอกะครับจัดทำไปแล้วมีแต่กิเลสทั้งนั้นฟาดมันลงไปก็เราบวชมาสู้กิเลสค่ากิเลสเราไม่ดูกิเลสที่หัวใจจะดูที่ไหนกิเลสเกิดที่หัวใจให้ดูที่ตรงนี้แล้วค้นหาสาเหตุของมัน โผล่ออกมาทั้งหน้ากแกวหลักปล่อยมันเหลืออะไรอย่าอ่อนแอนะนะนะปฏิบัติต้องทําตัวให้ใหม่เสมอให้ปัเปป็นปัจจุบันอย่าไปคิดถึงเรื่องความภาคเพียรที่จะทําป้างหน้ า, าเป็นยังไงต้องไงนั่นะสร้างความท้อใจให้ตัวเองนั่นก็คือเรื่องอุบายของกิเลสเราทํามาอย่างนั้นนั่นไม่ได้ย่องได้รับอะไรรับความความลบากนั่นน่นเป็นปอุบายของกิเลสมันดักหน้าดักหลังให้ไปไม่ได้แล้วติดจมกักอยู่นั่นแหละ มันวงปัจจุบันก็ท้อถอยที่นเรื่องเวลาแล้วจะหาทางออกที่ไหนสิหาทางออกเป็นเรื่องทางออกเป็นหากิเลสเนี่ยไม่ใช่ทางออกหาธรรมนี่แต่ไม่ใช่ความกล้าห า, ชาญชัชัยความเอาเป็นเอาตายสู้กับกิเลสนั่นคือทางออกแท้ตามทางของพระพุทธเจ้าแท้แหละหาทางออกแบบที่ว่าหลังกล่าวมาเหล่านี้มีจะหาทางออกเพื่อกิเลสตับผมว่าเอา เรียนเรียนเรื่องหัวใจจบแล้วึงเวลาจะสบายยิ่งกว่านี้ในโลกนี้เรียนหัวใจมันจบอีกตัวกองทุกข์ไปอยู่ที่หัวใจกองทุกข์มันมาจากไหนมันมาจากกิเลสค่ากิเลสตายแล้วทุกข์จะมาจากไหนมันไม่มีทางเกิดแสนสบายใช่ไหมฝุดตั้มตักตักูดมอยู่ไม่ถอยแต่จังไนมันไม่ซ้่ําเหมันกิเลส เหียบหัวคนเหียบหัวพระ น, นี่มันซาำซ้าๆมัซ้าความรู้เลยกดไว้ตลอดเวลาซ้มาพูดเป็นรับเป็นตอนเป็นตอนมาซ้ย่เดยกกดหัว ใ, ใจยเด็กกดอยู่ตลอดเวลาเอาละที่เลิกกันแล้วนะทะนี่นั่งท่านปัญญามีที่จะพูดในฟังบุพเพนิ่น ง, งไหมตรงนี้ ม, มีไหมหรือมีนี้เก็พูดสแล้วก็จะเลิก